เพื่อนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายขณะนี้ได้เวลาที่เราจะได้เข้ามาร่วมประชุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านทั้งหลายจงสลัดความง่วงเหงาเหานอนและความเฉื่อยชาเกลียดค้านให้ออกไปเถิดชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้ารีบทําความเพียนเสียแต่เดี๋ยวนี้เถิด ดูก่อนอานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาดอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อ ค, รครบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย ดูก่อนพิ่สุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการประทมหาความสุขในการเอ็นพระวรกายหาความสุขในการประทมหลับตามแต่พระประสงค์อยู่เนืองนิดยังคงทรงปกครองราชสมบัติ ให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของพลเมืองจนตลอดพระชนชีพอยู่ได้หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าข่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าผู้ครองรัฐก็ดีทายาทผู้สืบมรดกก็ดีเสนาบดีก็ดีนายบ้านก็ดีและหัวหน้าหมู่บ้านก็ดีประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอียนกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เนืองนิดยังคงดำรงตําแหน่งนั้นๆให้เป็นที่รักใคร่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 พวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่เอาแต่ประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอ็นกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เสมอเสมอทั้งเป็นผู้ที่ไม่คุ้มครองถวานอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ตามประกอบธรรมะเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจมแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ตามประกอบ การกระทำเนืองๆในโภคิปักกิยธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายแล้วยังกระทาให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่หรือข้อนั้นก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าข้า ดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวถึงนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกในใจว่าเราทั้งหลายจากคุ้มครองทวารในอิ<ใ>นทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภ ค, โภคตามประกอบธรรมะเครื่องตื่นเป็นผู้เห็นแจม่มแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย และจักตามประกอบอนุโยคภาวนาในโพธิ ป, ปักขียธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายอยู่เสมอๆดังนี้พิสุททั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสมเนียกใจอย่างนี้แล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 ด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยทั้งสองวิธีประกอบกันบ้าง <c oughs> เช่นเดียวกับที่ท่านฝึกม้าเหมือนกันข้าแต่พระองค์พูดเจริญถ้าคนผู้นั้นไม่รับการฝึกทั้งสามวิธีนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าจะทรงทำแก่เขาอย่างไรเกศีถ้าผู้นั้นไม่รับการฝึกด้วยวิธีละมุน ล, ละม่อมไม่รับการฝึกด้วยวิธีรุนแรงและไม่รับการฝึก ด้วยวิธีทั้งสองบวกกันเราก็ฆ่าเขาเสียเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันการฆ่าไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าฉนันจึงรับสั่งว่าเราก็ฆ่าเขาเสียกระนี้เล่าจริงสิเกสีการฆ่าไม่ควรแก่ตถาคตแต่ว่าคนผู้ใดไม่รับการฝึกด้วยวิธีระมุนระม่อม ไม่รับการฝึกด้วยวิธีรุนแรงและไม่รับการฝึกด้วยทั้งสองวิธีบวกกันตาถาคตก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนต่อไปทั้งเพื่อนพมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนด้วยนี่แหละเกสีข้อที่ตาถาคตไม่นับคนผู้นั้นว่า เป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนทั้งเพื่อนพมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนด้วยนั้นนั่นคือว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างสนิททีเดียวในวินัยของพระอริยเจ้านั่นชื่อว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างสนิทแน่พระเจ้าข้า พิสษุนทั้งหลายเมื่อพิสษุกําลังเดินอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดในความครุ่นคิดในทางทำให้ผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิสษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอเล่ซามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดคุนคิดด้วยความคุนคิดในกามหรือคุนคิดด้วยความคุนคิดในทางเดือดแค้น หรือคุณคิดด้วยความคุนคิดในทางให้ผู้อื่นลำบากเปล่าๆล่าขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความคุนคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียงเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกลียดค้าน มีความเพียนอันเลวสามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกําลังนั่งอยู่ถ้าเกิดคลุนคิดด้วยความคลุนคิดในกามหรือคลุนคิดด้วยความคลุนคิดในทางเดือดแค้นหรือคลุนคิดด้วยความคลุนคิดในทาง ท, าง ท, างทําให้ผู้อื่นลําบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความคลุนคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทําให้สิ้นสุดลงไป จนไม่มีเหลือพิษุที่เ ป, เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ <บ S 1> ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพี้ยนเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งรามกเป็นคนเกลียดค้านมีความเพี้ยนอันเลวซามอยู่เนืองนิดเมื่อพิสุกำลัง น, นอนอยู่ถ้าเกิดความคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในกามหรือคุ้นคิดด้วยความคุ่นคิดในทางเดือดแค้น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 มีความเพียญอันเลวสามอยู่เนืองนิดโอสามอย่างนี้มีอยู่สามอย่างอะไรกันเล่าสามอย่างคือความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ความเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียน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 ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกพิสุจทั้งหลายพิสษุผู้มัวเมาเด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่มัวเมาด้วยความเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียนมัวเมาด้วยความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ย่อมบอกเลิกสิขาหบุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งขรหขัดตามเดิมดังนี้แหละ ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลาธารในตอนเย็นสุนักขกิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามลาธารในตอนเย็นเช่น เ, นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนักขกิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษ ะ, ะเป็นที่ห้า เข้าไปในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัข ก, กิ้งจบก็ได้เห็นเตา่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เตา่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไหร่หนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศรีรษะ <3 S 1> เป็นที่ห้า แล้วจะ ก, กัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสียดังนี้พี่สุตทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขกินจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองพิกสุทั้งหลายชันใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงจะได้ช่อง ไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ครุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโพธะพระด้วยกาย หรือได้รู้ธรรมรมด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดจงได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือโดยส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดพิสูจน์ทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมานผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้พวกเธอทั้งหลาย และจะต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขกิ่งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกคือความตริตึกทางใจไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉะนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุ ส, สงฆ์ดูด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าดูเป็นผาสุขดูก่อนอานอนต์เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานนทพิสุสงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์พูดเจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิสุสงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานนมีอยู่ เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งโทษ ด, ดูคนอื่นอีกประการหนึ่งอาโนนภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์พูดจเจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่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 อีกประการหนึ่งอานนท์พิสุสงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์พูดจเจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่พิษุสงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานน์มีอยู่ยเมื่อพิษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวคมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่ง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 ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่อีกประการหนึ่งอานนท์พิ่สุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผ้าสุขอานนท์เล่ากล่าวว่าทำเครื่องอยู่ผ้าสุขอื่นซึ่งสูงกว่าหรือปราณีตกว่าทำเครื่องอยู่ภ้าสุข คือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นี้หามีไม่เลยดูก่อนพิสุททั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งพิสุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้งงแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทาให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่าห้าประการคือหนึ่งภิกษุในธรรมวิัยนี้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 ที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุขดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นอนาคตภัยข้อแรกอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการกระ ท, ทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุสิ่งที่ยังไม่บรุเพื่อทําให้แจ้ง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 ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมณนิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ทาไม่ได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุถึงสิ่งที่ยังไม่บรุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จักอยู่เป็นผาสุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สองอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทาเช่นนั้นอยู่ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งพิสุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัตรนี้ข้าวกล้างามดีบินทะคือก้อนข้าวก็หาง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามสแสวงหาบินทบทัตร แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่พิกษาหารหาได้ยากข้าวกล้าก็เสียหายบินธบัตได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามสแสวงหาบินธบัตเพื่อพิกษาหารก็หายากที่ใดพิกษาหารหาง่ายคนทั้งหลายก็อบพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่กรุกรีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีมากขึ้น เมื่อมีการคลุกคลี ป, ปะปนกันในหมู่คนจะมนัสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ทำได้ไม่สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่สมควรอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือพิกษาหานหายากนั้นจะมาถึงเราเราควรรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจกเป็นอยู่พาสุ์กแม้ในคราวที่เกิดทุกภิกษภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการ ท, เทาเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง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 ที่ภัยคือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจากักรแต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่ครุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกครีประปนกันในหมู่คนจะมนานัศกรถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ทําได้ไม่สะดวกเลย และจะเสพเสียนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าคข้ไม่น่าชอบใจคือโจรภัยนั้นมาถึงเราเราจะรีบทาความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้พูดถึงแล้ว จะอยู่เป็นพาสุภแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้พิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่4ภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเดศมีตนส่งไปแล้วในการกระทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งได้โดยเร็ว อีกข้อหนึ่งพิสุพิจรารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงฆ์สามัคคีปรองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกกันแล้วจะมนัสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทาได้ง่ายเลย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 ข้อที่ร่างกายเกิดหนักตัวขึ้นทิศทั้งหลายไม่กระจายทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งทีนมิทะเข้าจับจิตฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอาการเหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบชาคิยธรรมเนืองเนืองไม่เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ไม่ขวนขวายบำเพ็ญโพธิปักคียธรรมภาวนาตลอดลาตรีเป็นเบื้องต้นและลาตรีเป็นเบื้องปลายพิสุเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอพึงสำเนียกใ น, ในใจไว้ว่าเราจากเป็นผู้คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคจักประกอบชาคีย์ธรรมเนืองๆ เ, เป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล จากเป็นผู้ขนขวายบำเพ็ญโพธิปักเคียธรรมภาวนาตลอดลาตรีเป็นเบื้องตน้นและลาตรีเป็นเบื้องปลายดังนี้ภิกษุเธอพึงสำเนียกใ น, ในใจไว้อย่างนี้นดูก่อนพิสุทั้งหลาย กิที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรพิสษจนทั้งหลายภิสษุนในธรรมวินัยนี้มาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แ้งรอมฟังอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารเธอกลับจากบินทบาตแล้ว นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโรคมีจิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทและถินมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจ มีจิตปราศจากทีนามิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากทีนามิทะและอุทจักขุกุจจะไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทจักขุกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัย คอยอชำระจิตจากวิจิกิจชาพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกําไรยังเหลือพอจะเลี้ยงภรรยาได้ถมไปเขาคงคํานึงถึงโชคลาภว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้ว กำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปลาโมดบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารไม่ตกต ก, กำลังน้อยครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งขึ้นกำลังก็มีขึ้น เขาต้องนึกถึงการเก่าว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ตกกำลังก็น้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งกำลังก็มีมาดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดพิสุจ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำ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 สมนัตเพราะข้อนั้นเป็นเหตุขันใดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนําทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานขันพ้นทางกันดานได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภคทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานําทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานขันพ้นทางกันดานไม่มีภัย ไม่ต้องเสียโภคทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจสงมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดพิสุทั้งหลายพิสุพิจารณาเห็นนิวรา์หาประการ<พ>ที่ตนยังละ<พ>ไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรคเช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาตและการนำทรัพย์ข้ามทางกันดา n และเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการ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 ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกับที่มหาสมุทรย่อมมีน้ําหยุดอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นธรรมดาหาล้นฝั่งไปไม่ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวด่วงสิกขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เราบัญญัติสิขาบทใดๆแ ก, สกแ่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่กล้าล่วงสิขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตนั่นแหละพิสุท์ทั้งหลายพรมะหมรจันนี้ เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนให้ดับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออนิสงเป็นลาบสกาละและเสียงสัรเสริญมิใช่อนิสงจะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อคัดค้านลทัทธิใดให้ล้มไปและมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้ พิสูจทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์ น, นี้เราประพฤติเพื่อสํารวมเพื่อละเ พ, อเพื่อคลายกําหนัดเพื่อดับทุกข์ให้สนิทธรรมะเพื่อปลุกให้ทําความเพียรก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมี<ย>แด่เพื่อนนักปฏิบัติธรรมทุกๆท่านจเจริญธรรม ชิมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนเดินทางไปสุลุมฝังศพทั้งสิ้นทุกวินาทีทุกวินาทีผู้ที่รู้สาระแก่นสารของชีวิตที่เกิดมาย่อมทำชีวิตให้มีคุณค่าประโยชน์และมีความสุข อันเป็นสัจจะส่วนผู้ที่เกิดมาไม่รู้แม้ว่าตนเองกำลังเดินทางไปสู่หลุมฝังศพยังหลงระเริงอยู่ในโล ก, กียภพซึ่งเขาหลอกล่อมอมเมาด้วยความสนุกสนานราเริงบันเทิงแม้ที่สุดเอาอบายมุกมามอมเมาก็หลงระเริง มอมเมาด้วยกามก็หลงระเริงมอมเมาด้วยลาบยศสนเสริญโล ก, กียสุขก็หลงระเริงสูงสุดแม้ผู้จะพ้นโลกตะบายโลกกามโลกกระทําแปดมาแล้วก็ยังหลงติดอยู่ในภพของอัตภาพตัวตน คนเหล่านั้นจะหาคุณค่าประโยชน์มาจากที่ใดกันเล่านอกจากเขาก็จะมอมเมาตัวเองและมอมเมาผู้อื่นต่อและต่อไปอยู่ชั่วนานับกับการขอให้ตั้งใจมาศึกษาชีวิต ให้รู้คุณค่าของชีวิตที่จะเสียสละหรือสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่เพื่อนรวมโลกสรพพสัตต์รวมโลกเราเองก็จะรู้ว่าความสุขนั้นไม่จําเป็นจะต้องอาพ่อไปด้วยอบายมุขไม่ต้องอาพ่อา อ, อาพอกไปด้วยลาบยบสันเสริญโลกีสุขและไม่จําเป็นจะต้องติดยึดเป็นอัตภาพตัวตน หลงมาณนะแต่เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากจิตที่หลงและติดยึดสิ่งเหล่านั้นได้เป็นผู้ที่สร้างสรรและไม่เสียเวลาแม้แต่ชั่วลัทนิมือเดียวที่จะติดอยู่ในสิ่งต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นผู้สุขสงบปราศจากความติดยึด จึงเป็นผู้อิสระเสรีและมีเปลี่ยวแรงสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ให้แก่มนุษย์โลกได้มากมายมายเกินกว่าจะ ก, กล่าวจงมาศึกษาเถิดมนุษย์ทุกผู้เอ่ยทิศทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนนั้นมีประโยชน์และ มีความจริงที่ความสุขสองชนิดที่มนุษย์จะต้องรู้พึงรู้ถ้ามนุษย์ไม่รู้ความสุขมีถึงสองชนิดได้รู้แต่เพียงความสุขชนิดเดียว คือโลกียศุขุขเพราะว่าเราอยากได้อะไรและเราก็ได้สิ่งนั้นสมใจตั้งแต่วัตถุธรรมไปจนกระทั่งถึงความพอใจของตนเองเมื่อเราได้สมใจทุกทีเราก็รู้สึกว่านั่นคือความสุข นี่เป็นความสุขที่คนทุกคนทราบดีรู้จักทุกคนเคยเสพทุกคนแต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวุปสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขซึ่งเป็นสุขที่ปร า, าศจากกิเลสไม่ต้องสนองอารมณ์ตัญหาเป็นความสุข ที่สงบจากกิเลสชัดไม่ใช่ไม่มีความรู้ความสงบนั้นมีความรู้ผู้ที่สงบจากกิเลสแล้วจะรู้ยิ่งอยู่เหนือโลกรู้เท่าทันโลกโลกจะประดิษฐ์กระดอยจะยั่วยวนมองเมาปรับปรุงตนเองเพื่อที่จะ กะตุ้นเร่งเราให้แก่ผู้ที่สงบแท้นั้นให้หลงจากโลกิยสุขโยโยนนั้นอีกไม่ได้ผู้ที่อยู่เหนือดังนี้ชื่อว่าผู้มีโลกุตระจิตเมื่อมีโลกุตระจิตจะเป็นผู้สงบจะเป็นผู้ไม่ดิ้นดิ้นอีกและสามารถรู้ยึ่งในสิ่งที่อยู่ด้วยนั้น เป็นโลกเขาจะปรุงแรงอย่างไรก็รู้จิตชช้นนี้เรียกว่าจิตสงบจิตที่อยู่เหนือโลกผู้นี้มีความสงบดังนี้และรู้ได้ว่าเป็นความสุขผู้รู้นั้นมีความสุขอีกนิดหนึ่งเ ร, เรียกว่าอุปสโมโอสุขเรียกว่าอุปสมโอสุขคือสุข ในความสงบหรือสุขอย่างนิโรธสุขอย่างนิพพานความสุขชนิดนี้แหลที่มนุษย์พึงได้รู้ควรได้รู้เป็นความสุขที่วิเศษจริงจงศึกษาเถิดมนุษย์ทั้งหลายเถิดและจงได้พบกับความสุขวิเศษชนิดนี้ให้ได้จริงๆกันเถิะ ตนเองก็สุขสงบสังคมก็จะสุขสงบด้วยกันทั้งปวงสัจัะ คือความจริงผู้ที่มีความจริงมีของจริงก็จะได้รู้ความจริงรู้ของจริงของตนของตนผู้มีทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์นั่นยิ่งเป็นทุกข์และมีทางที่จะติดทุกข์นั้นไปอีกนานับกับกัน ผู้ที่มีทุกข์และรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ยังพอจะได้หาทางแก้หาทางปลดปลงให้แก่ตัวเองได้ผู้ที่มีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์แต่ไม่รู้ตัวเลยกลับหลงอีกว่านั่นคือสุขนั่นยิ่งช่วยไม่ได้อีกนาน นานับกับกันไปทีเดียวผู้ที่รู้ทุก์แล้วก็พยายามขัดเกลาตนเองละล้างจิตใจที่ยึดถือที่ติดที่หลงให้จางคลายให้ปล่อยให้วางโน้มน้อมตามทิศทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้พาธรรมถึงสอน เมื่อเราปล่อยได้วางเป็นแล้วก็จัดจิตใจของเราให้จางคลายจนกระทั่งไม่ติดไม่ยึดได้จิตเราก็จะวางสะอาดสบายผู้ที่มาฝึกขัดอบรมแล้วมีจิตที่อยู่จางคลายก็จะรู้ว่าเราเบาเบาลง ผู้ที่ไดล้างจนสะอาดก็จะรู้ว่าเรามีจิตที่สบายเราอยู่แบบที่มีเครื่องครอบมีหลักมีวินัยมีศีลเราก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าเราเองเราหมดยุดเราไม่ถือตัวถือตนเราทำตามศีลตามวินัยนั้นได้ อย่างสบายสบายเราจึงเป็นคนสบายผู้ใดที่ยังอยู่กับศีลกับวิ น, นัยที่เป็นหลักของสังคมและเป็นหลักที่จะอยู่กันอย่างสันติภาพด้วยถ้าเราอยู่กับหลักอย่างนั้นไม่ได้เรายังมีตัวมีตนเรายังยึดตัวยึดตนมันก็จะฝืนกับหลักขัดกับหลักแล้วเราก็จะทุกข์ ความทุกข์ปรากฏอยู่สําหรับผู้รู้ผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าทุกข์ผู้รู้ว่ามันทุกข์แต่ก็ยังดึงยังฝืนอยู่ผู้นั้นก็ยังทุกข์อีกนานับชาติต่อไปตัวกูของกูตัวตนของตนนี้ใหญ่นักและก็พาให้ทุกข์นักนั่นคือความโง่นักของมนุษย์ผู้นั้นผู้นั้น ผู้ที่โง่อยู่ก็ต้องทุกข์อยู่ผู้ที่ฉลาดแล้ววางแล้วปล่อยแล้วก็สบายได้พระสังคมของผู้ที่เดียวางหลักวางระเบียบวางกฎไว้ให้สังคมนั้นอยู่อย่างราบรื่นสันติภาพอย่างชานฉลาดผู้ที่เข้ามาสู่แวดวงนี้แล้วจะได้พิสูจน์ของจริงพิสูจน์ความจริงแ้วเราก็จะได้พ้นทุกข์ จริงหรือผู้ใดที่ยังยึดถืออยู่ดังกล่าวแล้วก็จะยังเห็นความจริงอีกแหละคือยังทุกข์จริงยิ่งทุกข์ไม่รู้เลยเราก็ไม่มีทางแก้เลยถ้าเรารู้เราก็จะได้ช่วยกันแก้หรือตอนเองนั่นแหละจะแก้ก็จะลดจะละจะจางจะคลายไปได้และหมดเป็นที่สุด ส่วนผู้ที่ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นด้วยไม่เอาเลยก็จะต้องอยู่ไม่ได้โดยแวดวงนี้ก็จะต้องไปหาที่อยู่อื่นไปอยู่กับสังคมอื่นหรือแท้จริงก็ไปเป็นทาส ต, ตัวกูของกูอีกต่อไปนานับกับการนั่นเอง ทำความรู้ให้รู้ว่านอนคือนอนพักผ่อนและทำความรู้ให้ซ้อนซึ่งลงไปอีกว่านอนไม่ใช่ความอร่อยนอนคือการพักผ่อนของความหมุนเวียนในชีวิตกำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับ ให้เก็บตนเองเสมอและต้องฝึกและรู้ความจริงว่าตื่นคือตื่นเราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแม้เวลาจะหยุดจะนิ่งเราก็จะต้องตื่นต้องฝึกตนจริงๆชาคิยานิโยคะเป็นหลักใหญ่เป็นหลักในแม้แต่ในอภปนักธรรม เป็นหลักของการปฏิบัติแม้แต่ฤาษียอะแยะมากมายในทางปฏิบัติของลัทธิที่จะต้องรู้ความดับรือเรียกว่า น, นิโรธเพราะความหยุดความพักนั้นเป็นการเบาเป็นการง่ายจึงเป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติ ที่ทำให้คนหลงได้ง่ายหลงเสพหลงติดหลงชอบเราจะต้องคลายความชอบเราจะต้องปลุกตนไม่ให้ไปชอบบอกตนให้รู้ทำความเข้าใจให้แก่ตนให้มากให้เห็นจริงถ้าเรายังมีอารมณ์ชอบ อารมณ์ปฏิพัต์อารมณ์อร่อยที่เรียกว่าสัาธะอยู่เราก็ยังจะต้องหนักหรือมีโรคมีอาการกิเลสนั้นไม่คลายจึงจะต้องทำความรู้ให้รู้ให้เห็นให้จริงและต้องปึกต้องตัดต้องคลาย ทำจริงๆฝึกจริงๆฝึกแล้วฝึกเล่ารู้แล้วรู้เล่าจะตัดจริงตัดแล้วตัดเล่าเราจึงจะค่อยอย่างชั่วที่สุดจึงจะเบาบางไม่มานั่งงกนั่งง่วงเพราเวลาตื่นก็ต้องตื่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไ้แม้แต่ตอนจะตื่นนอนเราก็จะง่วงเหงียและอะไรอาวรต้องตัด เพราะเราร ก, กํำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับแล้วเราต้องหลับเท่านั้นและต้องตื่นและจะต้องไม่สร้างอาการง่วงมีอาการอะไรอาวรไม่สร้างอารมณ์จิตที่มันปรารถนาอยากหรื อ, อที่จะเศษ จ, จะติดต่อตัดเปตหลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่น ขอให้เห็นจริงด้วยความจริงของตนเองของทุกคนฝึกเรียนฝึกรู้ฝึกทมให้ชำชองแล้วเราจะเป็นผู้ตัดเป็นตัดหลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่น ผู้ที่ได้เรียนรู้การละสิ่งที่ตนเคยแสวงหาเป็นผู้ที่มีการแสวงแหวงหาอันละได้แล้วตั้งแต่สภาพหยาบไม่ว่าจะเป็นละได้ในส่วนแห่งกรมที่หยาบและ แม้เราได้สแสวงหาความสงบและเราก็จะต้องละความสงบอีกละความสงบอย่างหยาบได้เราก็จะต้องเรียนรู้ถึงความสงบอย่างละเอียดที่เรายังติดหรือยังสแสวงหาซับซ้อนเข้าไปอีก กามก็มีอย่างหยาบมีอย่างละเอียดที่เราแสวงหาซับซ้อนเป็นเหมือนลูกคลื่นที่ใหญ่แล้วก็เล็กลงเล็กลงเป็นลูกทยอยต่อกันไปเราจะต้องมีจิตอันแยบคายรู้ในความหยาบกลางละเอียดและเราก็จะต้องละล้างปลดปล่อย ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากามไม่ว่าภพให้สิ้นกา ม, มาสวะให้สิ้นภวาสวะมีพรหมจรรย์อันสูงยิ่งขึ้นมีพฤติกรรมแห่งความบริสุทธิ์สะอาดสูงขึ้นมีแต่พฤติกรรมแห่งพฤติกรรมเท่านั้นเป็นพรหมจรรย์ แม้เราได้แสวงหาพรหมจรรย์อันสูงยิ่งสูงยิ่งขึ้นอีกเราก็จะเป็นผู้ที่อาศัยพรหมจรรย์อยู่อย่างสงบเราจะพ้นความแสวงหาแม้ได้พรหมจรรย์อาศัยเราก็จะไม่หลงว่าเป็นตัวตนเป็นของเที่ยงเป็นสิ่งนิรัน เราจะอาศัยเป็นเพียงฐานแห่งความเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อสร้างสรรค์เพื่อแผ่แก่มนุษย์โลกนี้เท่านั้นและเราจะเรียนรู้กาละเมื่อทำกาละก็เป็นการทากาละที่ศูนย์สนิทในขณะดับเราเป็นดับในขณะสร้างเราเป็นสร้างในขณะเป็น เราเป็นให้เป็นในขณะเกิดเราเกิดให้เป็นและในขณะดับเราดับให้ตายในขณะตายเราตายให้ตายให้ได้เมื่อผู้รู้เป็น